ได้อ่านบทสัมภาษณ์ของนักดนตรีคนหนึ่งนะชื่อจั ก, กรวาลนะสาวธงยุติธรรมนะแต่ว่าหลายคนรู้จักในชื่อหนึ่งจั ก, กรวาล น, นะได้ทราบว่าเขาเป็นกรรมการนะในการแข่งดนตรีชื่อว่า The m a ัสเดอะมัสซแล้วก็ดังนะจากรายการนี้นะ อภัยเขาน่าสนใจแล้วเขาก็เล่าถึงตอนที่เขาได้ไปเรียนที่วิทยาลัยนาตาสินเขาเรียนเอกไวโอลินนะแต่ว่าเขาอยากเรียนเปียโนเนื่องจากไม่ได้เรียนเอกเปียโนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไปฝึกเล่นเปียโนเนี่ยอย่างนักศึกษาทั่วไปก็ทําไม่ได้ก็ต้องไปแอบดู อาจารย์เนี่ยคนหนึ่งซึ่งเขาซ้อมเป็นโนทุกเช้าเช้าตรูเลยนะแล้วแกก็จะเรียกว่าครูพักรักจําก็ได้ก็สังเกตแล้วก็จําเสียงแกอ่านโน้ตก็ไม่ค่อยเป็นนะแต่ว่าใช้ฝังเสียงแล้วก็ดูเอาพออาจารย์ไม่อยู่เปลี่ยนโนว่างแกก็ไปลองซ้อมดูทํานี้ทุกเช้านะ ท, า ท, าทั้งๆที่ ตัวเอนี่ก็นอนดึกก็ต้องไปเล่นดนตรีหาเงินอาจารย์คนหนึ่งก็รู้นะก็อนุญาตให้เขาเนี่ยนะมาใช้เป็นโนของวิทยาลัยเนี่ยซ้อมก็ทำเนี่ยนะวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนลเอนล่านะจนกระทั่งสามารถจะเล่นเป็นโนได้คล่องนะอันนี้เลยว่าเรียนเองแล้วเขาก็ พูดถึงประสบการณ์ช่วงที่อยู่วิทยาลัยลนาฏศิ น, นว่าวิชาการนี่ยอาจจะไม่ได้มากนะจากวิทยาลัยลนาฏศินตแต่เขาได้ความรักมากเลยจากครูนะครูทุกผมก็รักผมอผมคิดว่าเนี่ยอันนี้มันสาคัญกว่าวิชาการนี่เป็นคำพูดที่น่าคิดนะวิชาการเนี่ย ที่เรียนมาเนี่ยจากการสั่งสอนของครูเนี่ยสําคัญน้อยกว่าความรักที่ครูให้กับ น, นักเรียนหรือนักศึกษาบางทีวิชาการที่เรียนเนี่ยนักเรียนก็ลืมนะหรือว่าเอาไปใช้ไม่ได้เพราะว่ามันล้าสมัยนะเพราะสมัยนี้เนี่ยความรู้มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากและแต่ความสามารถหรือเทคนิคทางการแพทย์เนี่ยมันก็ล้าสมัยเร็วนะ มีหมอใหญ่คนนึ่งก็บอกว่าไอ้สามในสีที่แกใช้ในการรักษาคนไข้หรือใช้ในการทํอาหากินเนี่ยนะแกไม่ได้เรียนนะในขณะที่เป็นนักศึกษาแพทย์หรือว่าเป็นแพทย์ผูกพันนะแพทย์ผู้พันนี่หรือแพทย์ประจําบ้านแต่ว่าเรียนเองเพราะว่าสิ่งที่เรียนมาจากมาไม้ทลายเนี่ยนไปใช้ไม่ได้แล้วเพราะเทคโนโลยีมันพัฒนาเร็วมากเช่น สไลด์นิ้ด้วยไฟฟ้าสไลด์นิ้ด้วยด้วยเสียงนะด้วยุตาซาวหรือผ่าเส้นเลื่อนโดยโดยสองกล้องพวกนี้ยมันไม่มีสอรหรอกนะในหมาาหาวิทยาลัยหรือตอนเป็นแพทย์จําบ้านเพราะว่าตอนนั้นเทคน โ, โนโลยีมาไม่ถึงหนึ่งจั ก, กรวาลนี่ก็เหมือนกันนะคงทําน้องเนี้แหละเขาือว่าเขาเือว่าวิชาการที่ได้มาเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กับความรักของครูนะความรักของครูนี่ทําให้ เด็กเนี่ยนะหรือนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเกิดความอยากรู้อยากเห็นเกิดความเพียรพยอยางรวมทั้งรักในสิ่งที่ตัวเองเรียนด้วยอย่างวิชาการดนตรีแกก็ไม่ได้มากนะแต่ว่าแกก็ได้โอกาสในการใช้เครื่องดนตรีของวิทยาลัยนะจกนกระทํางกลายเป็นนักดนตรีที่เก่งเป็นที่เรียกร้องต้องการของนักร้องคนดังๆเพราะว่าแกสามารถที่จะเล่นดนตรีให้ตรงกับ เสียงแล้วก็สไตล์ของนักร้องแต่ละคนคือปรับนะปรับการเล่นของตัวนี้ให้ตรงกับลักษณะของนักร้องนักร้องก็เลยออกมาดีนะผลงานก็ออกมาดีอธิบายที่ว่าเนี่ยเรื่องความรักเนี่ยที่ครูมีต่อศิษย์เนี่ยสำคัญนะอาจจะมากกว่าวิชาความรู้มันไม่ใช่ใชมันไม่ใช่แค่วิชาความรู้ทั่วไปเท่านั้นนะนอกจากความรู้ทั้งโลกและความรู้ทางธรรมเนี่ยนะ หรือทางอะไร่าพุทธศาสนาเนี่ยบางทีสิ่งที่จะดึงดูดให้คนเนี่ยรุ่นใหม่เด็กเยาวชนเนี่ยหันมาสนใจพุทธศาสนาได้เนี่ยมันไม่ใช่ความรู้นะที่ครูจะถ่ายทอดให้อันนั้นเป็นเรื่องรองแต่สิ่งแรกที่สำคัญคือความรักหรือเมตตากรุณาถ้าว่าครูเนี่ยนะมีเมตตากรุณา ครูในที่นี้อาจจะลวมถึงพ่อแม่อาจจะลวมถึงพระด้วยนะซึ่งอยากจะให้ลูกอยากจะให้ลูกศิษย์เนี่ยเขามีคุณธรรมเนี่ยมีความซาบซึ้งศรัทธาในพุทธศาสนาสิ่งสําคัญที่จะดึงดูดเข้าได้เป็นอย่างแรกคือความรักความเมตตาแต่บางทีคนที่สนใจธรรมะหรือว่าครูศิลธรรมหรือแม้แต่พระเวลาเจอเด็กบางคนที่เขาอาจจะเฮี้ยว อาจจะไม่เรียบร้อยเช่นผมยาวแต่งตัวไม่สุภาพไม่รู้จักนุ่งขาวห่มขาวบางทีก็ไม่พอใจลละวเห็นเด็กเนี่ยผมยาวเห็นเด็กเที้ยวแทนที่จะให้ความรักความเมตตากับเด็กเหล่านั้นก็กลายเป็นว่าไม่ชอบไปชอบเด็กที่เขาเรียบร้อยแต่งตัวสุภาพไอความไม่ชอบของครูเนี่ยมันก็ทำให้เด็กเนี่ย เรียกว่าหันหลังให้กับพุทธศาสนาหรือหันหลังให้กับเรื่องของศิลธรรมได้ง่ายนะเด็กบางคนนะเขาก็เยี่ยวอย่างงั้นแหละอาจจะเป็นคนที่ฉลาดชอบซักชอบถามเด็กที่ชอบถามนี่ครูบางคนก็ไม่ชอบนะไอสไตเนี่ยสมัยที่เขาเป็นนักเรียนมัธยมเนี่ยกขาชอบซักชอบถามมากเลยเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ครูไม่ชอบนะ ครูไม่ชอบแต่เราก็รู้ใช่มว่าไอน์สไตน์นี่เขาเ้าฉลาดหลักแหลมมากบางทีเด็กฉลาดเนี่ยเขาจะชอบซักชอบถามแล้วถามในเรื่องที่ครูอาจจะไม่เคยคิดแต่ถามไปแล้วเนี่ยครูไม่พอใจเช่นถามว่าพุทธเจ้ามีจริงหรือรู้ได้ไงพุทธเจ้ามีจริงนะรู้ได้ไงว่าคําสอนของพระองค์ในพระไตรปิฎกเป็นของจริงนะเวลาครูหรือพระเนี่ยเจอ ลูกสิทธาแบบนี้ก็ไม่พอใจนะหาว่าลองของหาว่ามาท้าทายอันนี้เรียกว่าไม่มีความอดทนหนักแน่นแล้วก็ขาดเมตตานะคือถ้ามีเมตตานี่เด็กจะถามในเชิงท้าทายจะท้าทายเพราะอยากลองของหรือท้าทายเพราะอยากรู้ก็ยังมีเมตตาเห็นว่าเป็นเด็กนะการที่จะมองว่าเขาเป็นเด็กหรือการที่จะเข้าใจ นิสัยของเด็กเหล่านี้ก็ต้องมีปัญญาความเข้าใจเนี่ยมันก็คือเป็นเรื่องของปัญญาถ้าเข้าใจเด็กนะ เ, ออเด็กมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะเป็นวัยของเขาโดยเพาะเด็กสมัยนี้เนี่ยนะบางทีพูดจาไม่มีสามมาคารวะก็ไม่ว่าอะไรเพราะรู้ว่ามันเป็นแบบนี้เองนะแต่ต่อไปกล่อมเกลาเขาก็จะมีสามมาคารวะได้ง่าย แต่ว่าผู้ใหญ่สมัยนี้เนี่ยนะจะไม่ค่อยชอบเด็กเท่าไหร่ลนะ้โดยเฉพาะเด็กที่ชอบถามชอบซักโดยเฉพาะถามแล้วไม่มีสำ ม, มาฆะเราว่าไม่ใช่เพราะว่าเข า, เามีเจตนาลบเจตนาล้ายต่อครูนะหรือว่าต่อพระไ ม, ไม่ใช่หรอกมันเป็นอย่างนั้นเองนะมันเป็ น, เ ป, นเป็นการหล่อล้อมนะในแวดวงของเด็กสมัยนี้นั่นต้องมีเมตตานะมีเมตตามากมากนะอย่าไปเกลียดเขานะ แต่ไม่ตามจะเกิดขึ้นได้ต้องมีปัญญาคือความเข้าใจนะเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้เองเด็กสมัยนี้จะไปคิดว่าเออสมัยก่อนเราไม่ทาแบบนี้เราไม่พูดแบบนี้เนี่ยความคิดแบบนี้ไม่ถูกนะเพราะว่าสมัยก่อนกับสมัยนี้ไม่เหมือนกันแล้วนั่นเราเข้าใจเด็กนะก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงให้เด็กเนี่ยเขากลายเป็นคนที่ศรัทธาในพุทธศาสนาได้ หรือว่าศรัทธาในเรื่องคุณธรรมที่บ้านการนายพิเศษเนี่ยนะปั้มมนหรือว่าพวกหนวยการบ้านาการนายพิเศษเนี่ยนะเด็กนี่แต่ละคนที่เขาไปอยู่นั้นเคียวๆทั้งนั้นนะคือเป็นเด็กที่อาจจะเคยฆ่าคนหรือของขืนทำร้ายแต่ว่าเนื่องจากอายุยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือว่ายังไม่ครบยี่สิบก็ต้องมาอยู่สถานแบบนี้ยนะไม่ใช่คุก แต่และคนก็เฮี้ยวนะอนะครูมนีน่แกก็มีความรักความเมตตาแล้วก็มีปัญญาด้วยก็คือเข้าใจเด็กว่าคนเหล่านี้เนี่ยที่มีนิสัยแบบนี้เพราะว่ามีประสบการณ์ที่เจ็บปวดในวัยเด็กอาจจะข า, าดความอุ่นถูกลักเลยถูกคนเหยียดยามเพราะเรียนไม่เก่งหรือเพราะยากจนมันก็เลยเฮี้ยแบบนี้แหละแล้วก็บางทีก็อ่อ ต้องการการยอมรับจากเพื่อนก็เลยต้องทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพื่อให้เพื่อนชมนะเช่นไปข่มขืนไปลุมโซมไอ้พวกนี้บางทีไม่ได้ไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่าการยอมรับของเพื่อนเพราะเพื่อนคือทั้งหมดของเขานอะเนื่องจากพ่อแม่ก็ไม่เอาครูก็ไม่เอาและพ่อแม่ก็ไม่ชอบเด็กนิสัยแบบนี้ครูก็ยิ่งไม่ชอบใหญ่ก็ยิ่งผักให้เด็กพวกนี้ไปคบเพื่อนไม่ดีจะ่พระมลแกก็ใช้ความรักเนอะ ความเมตตาและความเข้าใจเนี่ยเปลี่ยนเด็กผู้นี้ให้กลายเป็นเด็กที่เรียบร้อยได้เรียบร้อยหมายถึงมีคุณธรรมนะผ ม, มาอาจยาอาจจะยังมีรอยสักนะแต่ว่าเป็นเด็กดีนะรู้จักผิดชอบชั่วดีออกจากคุกแล้วเนี่ยไม่หวนกลับมาติดคุกอีกนะอันนี้ก็เป็นผลงานที่สําคัญนะของบ้านการยานพิเศษนะที่ป้า ม, มนดูแลอยู่เมื่อเช้าก็พูดถึงท่านพอมยุนนะโซนิม ช า, าวเกาหลีเนี่ยท่านก็ดึงดูดใจนะวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวเกาหลีนมากเลยนะชาวเกาหลีนี่เขาก็จํานวนไม่น้อยแล้วกเฮี้ยวนะเพราะว่าเป็นเด็กที่เกิดในยุคดิจิตอลนะเด็กที่เกิดในยุคดิจิตอลนี่นะโอ้มันแากจากเด็กรุ่นก่อนมากเลยนะเด็กที่เติบเกิดเติบโ ต, ตมาพร้อมกับอินเทอร์เนต็ตโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตพวกนี้ ก็จะมีนิสัยอารมณ์แตกต่างจากคนรุ่นก่อนมากแต่ว่าท่านมีเมตตากับเด็กเหล่านี้นะมีเมตตาเพราะเข้าใจนะเข้าใจว่าเออเป็นธรรมชาติของเด็กธรรมชาติของวัยรุ่นจะเฮี้ยวไปบ้างจะเปลียนไปบ้างนะจะตั้งคาําถามท้าทายบ้างก็ไม่โกรธนะมีควา ม, มักแน่นมางคนพยายามอธิบายเด็กเนี่ยถ้าเกิดว่าถามแปลกๆถามแรงๆแล้วผู้ใหญ่ฟัง อธิบายด้วยความใจเย็นอธิบายด้วยสติและปัญญานี่นั่นเด็กเขากลับมานักถือได้ง่ายนะแต่เดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีความอดทนไม่ค่อยมีความมั่นคงหนักนั่นกับเด็กเท่าไหรนะ่ไม่ว่าจะเป็นเด็กมัธยมหรือว่าเด็กเด็กหมายเท่าไหร่นะถ้าเด็กเฮี้ยวเด็กดืนะไม่ค่อยเชื่อฟังเด็กครูก็เริ่มขุนแนะแล้วก็เริ่มเกลียดหรือว่าเริ่มโกรธไอ ความโกรธความเกียดนี่แหละที่มันจะทําให้เด็กเนี่ยเบื่อหน่ายการเรียนแล้วก็หันหลังให้กับโรงเรียนหันหลังให้กับครูแล้วก็หันไปคบเพื่อนที่ไม่ดีนั้นเวลาเราสอนคุตตศาสนาเนี่ยนะอย่าคิดแต่สอนวิชาความรู้หรือว่าสอนเรื่องพิธีกรรมจะต้องว่ายอย่างไรแต่งตัวอย่างไรสิ่งสําคัญกว่านะโดยเพราะเป็นจุดเริ่มต้นเลคือความรักนะความรักความเข้าใจความ หนักแน่นอดทนนะมันจะดึงให้เด็กเนี่ยนะหันม า, าสนใจพุทธศาสนาหันมาฟังหันมาศรัทธาครูได้เขาจะแต่งตัวเหี้ยวยางไงแต่งตัวไม่สุภาพอาจจะไม่ค่อยขยันทำการบ้านเวลาเราพูดเขาก็คุยกันนะไอ้พวกนี้เป็นบททดสอบครูอย่างดีเลยไม่ว่าจะเป็นคารวะหรือพระนะว่าเราจะมีแม่ตายกับเขาได้ไหม เพาจุดเด่นของพุทธศาสนาคือเมตตาและกรุณานะหรือว่าเอเมตตกรุณาและปัญญานะเราจะสอนพุทธศาสนาเนี่ยให้เขาศรัทธาเนี่ยก็ต้องแสดงกรุณาและปัญญาให้เขาเห็นด้วยให้เขาสัมผัสได้ด้วยสอนพุทธศาสนาแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราสอนหรือการกระทำของเราเนี่ยมันไม่มีทั้งกรุณาและปัญญาเขาจะศรัทธาได้อย่างไรนะพุทธศาสนา หรือถึงจะเข้าใจก็สิ่งที่เข้าใจก็ไม่ใช่พุทธศาสนาแต่เป็นความเชื่อเป็นความเชื่อที่ถูกยัดเยียดนะเพราะเด็กอยากได้คะแนนพอเด็กกลัวครูก็แล้วแต่อันนั้นมันไม่ใช่พุทธศาสนาพุทธศาสนามันต้องประกอบด้วยปัญญาและกรุลนา